ตอนที่สามดาวนำโชคของตระกูลโจซูมานอินชะ ง, งักไปครู่หนึ่งหวังเกวฮาร์คนนี้ทําตัวเหมือนพลาสเตอร์เยนังหมาจริงจงสลัดอย่างไรก็ไม่หลุดซูมานอินเจ้าซื้อเนื้อมาทําธุรกิจก็ช่างเถอะแต่นี่ถึงกับซื้อตู้แช่แข็งเลยหรือของพันนั้นกินก็ไม่ได้ดื่มก็ไม่ได้เจ้ากําลังผ่านเงินชดเชยของพี่ใหญ่ใช่ไหมหวังเกวฮาร์แผดเสียงดังลัน่นจนดึงดูดเพื่อนบ้านให้มารวมตัวกันอีกครั้งโจเตอสุ่นที่ยืนอยู่ข้างๆ ท, ทําทีเป็นวางมาศผู้ใหญ่เดินเข้ามาสั่งสอน น้องสไปน้อยเจ้ายังเงยาวนักไม่รู้จักการใช้ชีวิตการจะใช้ชีวิตให้เราต้องรู้จักประหยัดมัธยัตถ์ถึงจะอยู่ได้นานชินเสี่ยวเย่าแอบเอาซี่โครงหมูไปซ่อนไว้ในห้องอย่างเงียบๆซูมานอินจ้องมองสองสามีภรรยาโจเตอสุน่นและหวังเกยหาสุดท้ายคําพูดของพวกเขาก็วนกลับมาที่เรื่องเงินชดเชยของโจเตอช่างจนได้อาสามอาสไพน์สามฆ่ากับเสี่ยวเย่เวไปหยิบยืมเงินพวกเจ้ามาหรือหวังเกยหาและโจเตอสุ่นสายหน้าพร้อมกัน ไม่ได้ยืมเงินพวกเราแต่ไปยืมเงินคนอื่นก็ต้องคืนไม่ใช่หรือไงหวังเกว้าฮ่าพูดด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดราวข้าได้ยินมาจากลูกพี่ลูกน้องว่าพวกเจ้ายืมเงินคนอื่นมาตั้งหนึ่พันกว่าหยวนหนึ่หยวนเชียวนะเมื่อไหร่จะใช้นี่หมดอาศัยไพรสามท่านอยากจะช่วยข้าใช้นี่หรือซูมานอินยังคงประดับรอยยิ้มไว้บนใบหน้าแต่ข้าไม่ต้องการจริงๆอีกอย่างเงินชดเชยของเตอ๋อช่างเป็นของข้าพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์ใช้และไม่มีสิทธิ์มาก้าวไาย โจเตอซุ่นแล้หวังเกยฮาหน่าเสียพวกเขาไม่คิดว่าแม้จะกดดันซูมานอินขนาดนี้แต่อีกฝ่ายกลับไม่มีทีท่าว่าจะวอยวายหรือสติหลุดเลยแม้แต่น้อยน้องสะพ้ายน้อยจะพูดแบบนั้นไม่ได้พวกเราทนเห็นเจ้าทาผิดต่อไปไม่ได้หรอกโจเตอสุ่นยังคงสวมบทคนดีต่อไปเงินน่ะพวกเราไม่เอาค่าแค่จะอาศัยว่าตัวเองอายุมากกว่าช่วยพวกเจ้าดูแลเงินก็ น, นี้ไว้ให้หวังเกยฮารีบเสริมใช่แล้วพวกเจ้าเป็นหญิงไม่สองคนในบ้านไม่มีผู้ชายคอยดูแลมันไม่ได้หรอก ชินเสี่ยวเยเวส่งท่อนไม้หนาๆท่อนหนึ่งให้ถึงมือซูมานอินได้ทันเวลาพอดีน้องสไปน้อยพวกเราเป็นคนครอบครัวเดียวกันอย่าลงไม้ลงมือกันเลยนะโจเตอสุ้นึกถึงวีรกรรมของซูมานอินก่อนหน้านี้ขึ้นมาได้จึงเริ่มรู้สึกขยาดซูมานอินยิ้มบางๆสองมือออกแรงเพียงเล็กน้อยแสดงทักษะหักไม้ด้วยมือเปล่าให้ดูอีกรอบพูดอะไรกันข้าแค่จะหักฟืนเอาไว้ใช้จุดไฟนะ ซูมอนอินสบัดมือโยนท่อนไม้ที่หักครึ่งลงบนพื้นจนมันกลิ้งรปหยุดอยู่ที่แทบเท้าของหวังเกวฮาและโจเตอสุนไม่ว่าพวกเจ้าจะเชื่อหรือไม่เงินชดเชยพวกเรายังไม่ได้ใช้เลยแม้แต่นิดเดียวส่วนจะเอาไปใช้ทําอะไรนั้นไม่ต้องลําบากคนรุ่นหลังอย่างพวกเจ้ามาคอยกังวลหรอกหวังเกวฮากโกรธจนหน้าดําหน้าแดงเมื่อเห็นว่าเถียงสู้ไม่ได้จึงเริ่มหันไปยุยงเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆแทนทุกคนก็เป็นคนในเขตบ้านพักพนักงานโรงงานทอผ้าเหมือนกัน เมื่อก่อนก็เคยบริจาคเงินไปไม่น้อยพวกท่านจะยอมยืนดูเฉยเฉยให้ดาวตัวซวยคนนี้ล้างผลาญสมบัติจนหมดตัวหรือเพื่อนบ้านรอบๆต่างมองหน้ากันไปมาแต่ไม่มีใครก้าวออกมาพูดเ ข, ข้างนางเลยสักคนล้อเล่นหรือไงก่อนหน้านี้ซูมา่านอินให้คําแนะนํากับผู้อํานวยการโรงงานอย่างไม่เพียงแต่ช่วยระบายสินค้าในโกดังจนหมดแต่ยังทําให้ผลกําไรของโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจนโรงงานแจกสวัสดิการให้พนักงานทุกคน ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องความเสียสละของนางที่เสนอตัวยกตำแหน่งงานให้ผู้ที่ต้องการแล้วออกไปบุกเบิกธุรกิจด้วยตัวเองแถมยังกลับมาช่วยเหลือพนักงานโรงงานทอผ้าอีกวีรกรรมของนางถูกประธานฟางเขียนเป็นรายงานลงหนังสือพิมพ์ไปแล้วธุรกิจโรคเจียมหมวของนางก็รุ่งเรืองขนาดนั้นแม้แต่ใบอนุญาตประกอบกิจาการสถานีตำรวจยังเป็นคนช่วยจัดการให้เลยดาวตัวสวยงั้นหรือสำหรับตระกูลโจและโรงงานทอผ้าแห่งนี้นางคือดาวนำโชคเสียมากกว่า เตอซุ่นที่นี่คือเขตบ้านพักพนักงานโรงงานทอผ้าไม่ใช่โรงงานเครื่องจักรนั่นสิชีวิตของเขาจะรวยหรือจะจนพวกเจ้าจะไปยุ่งทำไมกันหวังเกื้อฮาไม่คาดคิดว่าเพื่อนบ้านเหล่านี้จะหันไปพูดจาเข้าข้างสูมาศอิงกะทันหันต้องรู้ก่อนว่าตอนที่สูมานอิงแต่งเข้ามาใหม่ๆไม่มีใครมองนางในแง่ดีเลยสักคนทำไมผ่านไปไม่ถึงเดือนทุกอย่างถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ โจเตอซุ่นเองก็รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องและที่ยิ่งไม่ถูกต้องไปกว่านั้นคือโจเว่หมินและซุนจิ่หลิงที่อุ้มลูกอยู่ก็รีบวิ่งตามมาด้วยอาสามอาสไปสามทำไมพวกท่านถึงมาที่บ้านของแม่เล็กอีกแล้วเมื่อได้ยินโจเว่หมินพูดว่าที่นี่คือบ้านของแม่เล็กแทนที่จะเป็นบ้านของพ่อซูม่านอินก็รู้สึกตื้นตันใจขึ้นมาทันทีแม่เล็กไม่มีงานทําเงินชดเชยของพ่อข่าให้นางถือไว้ข้าไม่มีความเห็นอะไรทั้งนั้นโจเว่หมินพูดอย่างหนักแน่น ต่อให้นางผ่านจนหมดค่าก็ไม่ว่าอะไรโจเตอซุนโกรธจนแทบพังเขาชี้หน้าด่าโจเว่หมิงอย่างเหลืออดโจเว่หมินเจ้าคนโงน่เนาะแค่นางให้ผลประโยชน์นิดหน่อยเจ้าก็ถูกซื้อตัวไปแล้วหรือเจ้าอย่าลืมนะว่านางยังสาวอีกไม่นานนางก็ต้องแต่งงานใหม่จากไปอยู่ดีอสาสโจเว่หมิงตะโกนขัดจังหวะแล้วจะให้ทําอย่างไรตระกูลโจของเรายัางคิดจะล่ามโซแม่เล็กกับเสี่ยวเยเว่ไว้ตลอดชีวิตหรือไง ตอนนี้เป็นสังคมใหม่แล้วไม่มีการบังคับให้หญิงไม้ต้องครองตัวเป็นโสดเพื่อสามีที่ตายไปหรือต้องมีป้ายเชิดชูความจงรักคักดีอะไรนั่นอีกแล้วซูมานอินไม่คิดเลยว่าหลังจากไปเรียนโรงเรียนภาคค่ําได้ไม่กี่วันความคิดความอ่านของโจเว่หมิงจะก้าวหน้าขึ้นมากขนาดนี้นางจะไปรู้ได้อย่างไรว่าเพระการดัดแปลงอุปกรณ์ทําอาหารก่อนหน้านี้โจเว่หมิงหาเงินได้เป็นร้อยหยวนแล้วอะไรคือการแสดงความห่วงใยที่ตรงไปตรงมาที่สุดก็คือการสนับสนุนกันยามที่ต้องการนั่นเอง คำพูดหวานหูลวนเป็นเรื่องจอมปลอมีเพียงความสามารถและโอกาสที่ทําเงินได้จริงเท่านั้นที่เป็นของจริงและสิ่งเหล่านี้ซูม่านอินผู้เป็นแม่เล็กเป็นคนมอบให้ทั้งหมดพวกท่านกลับไปเถอะข้าอสองอสภายรองไว้กลัวยังหิวรออยู่ที่บ้านเลยซุนจิวหลิงเอ่ยเตือนด้วยความหวังดีแต่ในหูของโจเตอซุนแล้หวังเกวฮากลับรู้สึกว่าพวกตนกําลังถูกซุนจิวหลิงรังเกียจโจเวหมินซุนจิวหลิงพวกเจ้าโจเตอสุนชี้หน้าอยู่นานสุดท้ายก็ด่าออกมาคําหนึ่งเลื้เรือน จากนั้นเขาก็จูมือหวังเ้ยหาผู้เป็นภรรยาเดินฟึดฟัดออกจากลานบ้านไปอย่างโกรธเคืองเพื่อนบ้านรอบๆเห็นคนไปแล้วก็พากันเข้ามาปลอบซูมานอินสหายเสี่ยวซูหยาไปถือสาพวกเขาเลยพวกเขาก็แค่ทนเห็นคนอื่นได้ดีกว่าไม่ได้นะใช่อยาไปโกรธเลยไม่โกรธหรอกข้าขอบคุณทุกท่านมากนะคะวันนี้ซูมานอิงยิ้มแย้มเต็มหน้ามีข่าวดีจะบอกทุกคนค่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะมีโรเจอรหม้ขายทุกวันเลยนะคะ ทุกคนได้ยินดังนั้นก็พากันบอกว่าจะมาอุดหนุนแน่นอนเมื่อผู้คนสลายตัวโจวเวยหมินและซุนจิวหลิงก็เตรียมตัวกลับบ้านแม่เล็กเสี่ยวเย่เว่ไปกินข้าวที่บ้านพวกเราไหมคะซุนจิวหลิงรู้ว่าพวกนางทำอาหารไม่เป็นจึงเอ่ยชวนด้วยความจริงใจโจวเวยหมินรีบเสริมใช่ครับแม่เล็กต่อไปพวกคุณมากินข้าวที่บ้านผมเถอะซูม่านอินพยักหน้ายิม้มวันนี้ฉันก็อยากไปบ้านพวกเธออยู่พอดีเสี่ยวเย่เว่มาแล้วค่ะ ชิ้นเสี่ยวเยว่วิ่งเอามือคว้ยหลังออกมาจากห้องพอเห็นตาฮวาและเสี่ยวสวีก็แกล้งหยอกเด็กๆด้วยท่าทางลึกลับตาฮาวาเสี่ยวสวีทายซิว่าอัเล็กถืออะไรมาเนื้อหรอครับถูกแต่ไม่ทั้งหมดจ้ะชิ้นเสี่ยวย่าวชูซี่โครงหมูสองชิ้นออกมาทันทีแต่นแตนแตนซี่โครงหมูชิ้นใหญ่ว้าซี่โครงหมูใหญ่จังเลยโครงหมูอยอย เว่หมินเห็นซี่โครงหมูในมือฉินเสี่ยวเย่าในใจก็อดรู้สึกผิดขึ้นมาไม่ได้หรือว่าโจเตอซุ่นจะพูดถูกเขาควรจะควบคุมความเร็วในการใช้เงินของแม่เล็กเสียหน่อยเว่หมินจิวหลิงวันนี้ฉันไปซื้อเนื้อที่หมู่บ้านมาทางร้านเขาแถมซี่โครงหมูมาให้สองชิ้นนะ่ะซูมานอินเอ๋ยอย่างเขินเขินเสียดายที่ฉันกับเสี่ยเวเย่เว่ฝีมือทําอาหารแย่มากกลัวจะทําเสียของก็เลยเรื่องไรคะพอดีถั่วแขกในลานบ้านกําลังได้ที่พอดีซี่โครงหมูตุนถั่วแขกนี่แหละหอมที่สุดแล้ว สุนจิ่วหลิงเห็นซี่โครงหมูสวยๆก็คิดถึงวิธีทำขึ้นมาทันทีโจ้ยหมินพอได้ยินว่าเป็นของแถมก็รู้สึกว่าตัวเองใจแคบไปทันทียังไงเสียแม่เล็กก็หัวไวที่สุดจริงๆ